น้ำและส่วนในโลกทิพย์ในโลกทิพย์ก็ไม่ใช่โลกที่แห้งแล้งเป็นทะเลทรายเรามีแม่น้ำลำธารและห้วยละหานใหญ่น้อยซึ่งมีน้ำอยู่เช่นเดียวกับโลกมนุษย์และหยดน้ำทุกหยดในสถานที่ดังกล่าวมานั้นย่อมใช้เป็นน้ำดื่มได้เสมอถ้าต้องการและนอกจากนั้นก็ยังมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับน้ำในโลกมนุษย์เลย คืนน้ำในโลกทิพนี้จะเป็นประกายส่องแสงอยู่เสมอและก็ใสเหมือนกับแก้วผลึกฉะนั้นอันหนึ่งยังมีคุณสมบัติทำให้ผู้ลงไปอาบสดชื่นอย่างประหลาดคล้ายๆกับว่าตัวจะลอยขึ้นไปฉะนั้นเพราะเราอาจจะเดินลงไปใต้พื้นผิวน้ำและปล่อยให้มันปกคลุมห้อมล้อมร่างกายเราอยู่โดยรอบโดยเราจะรู้สึกคล้ายกับว่ามีวงแขนที่มองไม่เห็นมาคอยปกป้องอกอกอด ให้ความอบอุ่นสดชื่นกันเราอยู่ฉชนั้นข้อที่ประหลาดซึ่งข้าพเจ้าเคยบอกให้ท่านทราบมาครั้งหนึ่งแล้วก็คือถ้าบนผืนน้ำนี้ถูกรบกวนเช่นทำให้เกิดมีการกระเพื่อมขึ้นเมื่อใดก็จะเกิดเป็นเสียงดนตรีอันอ่อนหวานอย่างที่สุดและในขณะเดียวกันละลอกน้าที่กระเพื่อมนั้นก็จะส่งแสงเหลือปรุงตัดกันเป็นประกายวาววามไปด้วยท่านเคยได้เห็นน้าในโลกมนุษย์ที่ไหน มีลักษณะเป็นเช่นนี้ไหมท้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเองนั้นไม่เคยเห็นเลยอย่างแน่นอนในที่นี้ขอรับรองอีกอย่างหนึ่งว่าจะไม่มีน้ำขังที่ส่งกลิ่นเหม็นเลยทุกหยาดหยดของน้ำในโลกทิพย์เป็นน้ำที่มีชีวิตอยู่ตลอดการซึ่งมีความบริสุทธิ์ดุดัญญมณีเราสามารถลงไปอาบภายใต้ผิวพื้นน้าก็ได้ อันตรายต่างๆจะไม่มีขึ้นในโลกทิพเลยไม่ว่าด้วยประการใดข้าพเจ้าได้พูดออกนอกเรื่องมาพอสมควรแล้วแบบนี้จะได้วกกลับไปกล่าวถึงเรื่องสวนต่อไปใหม่สวนของเราที่นี่ไม่ต้องมีขอบเขตเป็นรั้วหรือกำแพงสำหรับการให้เป็นเครื่องหมายแสดงกรรมสิทธิ์ของเจ้าของแต่อย่างใดดังนั้น เมื่อท่านมองออกไปจากหน้าต่างบ้านของท่านในโลกทิพนี้ก็จะได้เห็นทัศนียภาพของภูมิประเทศอันสวยสดงดงามเป็นผืนเดียวติดต่อกันไปคล้ายๆกับว่าเป็นวนอุทยานมหึมามีห้วยละหารลำธารและคลองบึงสลับกับป่าไม้น้อยใหญ่เป็นแนวยาวเหยียดไปจนสุดสายตาทั้งหมดนี้เป็นภาพธรรมชาติและเห็นเด่นชัดและแจ่มใสอยู่ภายใต้แสงอาทิตย์ที่ไม่มีวันตกหรือดับทาให้เกิดเป็นแสงสะท้อน และละสมีหลากหลายและดูระยิบระยับเสมือนหนึ่งเพชรลุกเล่นแสงอยู่ทั่วไปข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในสวนดังกล่าวนี้มีความสดชื่นตลอดการและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยผิดกับสวนของโลกมนุษย์มากอันที่จริงการที่ข้าพเจ้าใช้คำว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยนี้อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนขึ้นได้ อากไม่ได้อธิบายให้กระจ่างชัดไว้ด้วยราความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโลกมนุษย์นั้นอาจจะทำให้เรานึกไปถึงบรรยากาศที่เต็มไปด้วยข้อห้ามไม่ให้ทำเช่นนั้นเช่นนี้มากมายทาให้เกิดสภาพแห่งความรู้สึกไม่เป็นกันเองบังเกิดในจิตใจของผู้ที่เข้าไปชมเป็นอย่างยิ่งซึ่งลักษณะดังกล่าวมานั้นจะไม่เกิดขึ้นในโลกทิพย์เลยอันที่จริง ข้อแตกต่างระหว่างส่วนของท่านกับของเราในโลกทั้งสองนั้นมีมากมายหลายประการเหลือกเกินจนข้าพเจ้าคิดว่าส่วนที่เหมือนกันก็คือเป็นแต่เพียงชื่อเท่านั้นเองบรรยากาศแห่งความเป็นเสรีและความรู้สึกถึงความกว้างขวางสองประการนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับพวกเราซึ่งท่านอาจจะยังไม่เข้าใจหรือนึกไปไม่ถึงเลย ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าส่วนของเราไม่มีรัว้วหรือกำแพงหรือสิ่งอื่นใดเป็นเครื่องกนานาั้นนาณาเขตเลยดังนั้นส่วนของเราแต่ละเจ้าของจึงมีเขตแดนกลมกลืนติดต่อ ก, กันไปโดยตลอดบริเวณเหล่านั้นก็เป็นหุบเขาล้มแนวภพรมีทางเดิอนอันคดเคี้ยวเลี้ยวลดไปมาภายใต้ต้นไม้ใบหนาอันเคี้ยวชอุ่มเพราะผืนดินทุกตารางนิ้วจะมีพืชพันธุ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นประดับให้ความเจริญตาเจริญใจอยู่เสมอ ไม่มีพื้นดินที่โรคร้างว่างเปล่าไม่มีพื้นดินที่ถูกทอดทิ้งเราทุกคนรักษาให้ส่วนของเรามีชีวิตอยู่เสมอไม่ว่าท่านจะคิดว่าชีวิตนี้มีความหมายเป็นในแง่ใดก็ตามโดยอาศัยความรักเอาใจใส่ของเรานั่นเองไม่มีภาวร์ที่เราจะต้องรบ ก, กันยังไม่หวานไม่ไหวกับพวกหญ้ารกหรือวัชพืชต่างๆไม่มีเรื่องที่เราจะต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศอันแปรปรวน ที่จะมาทำลายพืชพันธุ์ของเราให้เสียหายล้มตายไม่ว่าจะเป็นเรื่องลมพายุเรื่องฝนมากเกินไปฝนน้อยเกินไปเรื่องหิมะลูกเห็บหรือเรื่องความร้อนมากเกินไปเป็นตน้น <một> เมื่อในโลกที่มีความอบอุ่นพอเหมาะที่ไม่มีสิ่งอื่นใดมาคอยรบกวนให้เสียสมดุลเช่นนี้แล้วธรรมชาติของทุกๆสิ่งจึงมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตและงอกงามได้เต็มที่ ในกรณีเช่นนี้บางท่านอาจจะคิดว่าเมื่อไม่มีสิ่งรบกวนต่างๆเช่นนั้นแล้วการที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเจริญงอกงามได้จนถึงขีดสุดก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์อย่างใดอันที่จริงท่านที่คิดเช่นนี้ก็ชื่อว่าถูกเหมือนกันแต่ก็ขอให้คิดดูต่อไปด้วยว่าสภาวะเช่นนั้นท่านหาได้ในโลกมนุษย์หรือเปล่าและเมื่อหาไม่ได้แล้วท่านก็พอจะเห็นได้หรือ ย, ยังว่า สภาวะของโลกทิพย์มีความน่าสุขสบายและบันเทิงยิ่งกว่าโลกมนุษย์เพียงใดที่ข้าพเจ้าจำต้องบรรยายเรื่องต่างๆให้ท่านทราบค่อนข้างจะเลเอียดเช่นนี้ก็เพื่อมีให้ท่านคิดถึงสิ่งต่างๆในแง่ของสิ่งที่ท่านได้พบได้เห็นจนเคยชินอยู่ในโลกมนุษย์นั่นเองในโลกมนุษย์เมื่อท่านมีผืนดินที่สาหรับจะปลูกต้นไม้หรือทาสวนแล้ว ท่านอาจจะต้องใช้ความรู้ในทางเกษตรศาสตร์ของท่านช่วยให้พืชพันขึ้นได้ในตอนแรกเล็กน้อยต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของต้นไม้ที่จะช่วยตนเองมากขึ้นโดยเราอาจจะให้ความช่วยเหลือบ้างในคราวจำเป็นเป็นครั้งคราวแต่ส่วนในโลกทิพนี้ต้องการความชำนาญอย่างยิ่งในการสร้างให้มีขึ้นมาได้ซึ่งผู้เชี่ยวชาญในทางนี้เท่านั้นจึงจะสามารถทำได้พวกเราเองโดยมากในตอนแรกๆ ก็ต้องอาศัยปรึกษาท่านผู้ชนานาญในการนี้มาก่อนทั้งในตอนแรกที่จะเริ่มสร้างของตนเองและในตอนหลังที่เราคิดว่าต้องการจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงให้สวยงามขึ้นกว่าเดิมแม้ว่าในบางครั้งเราจะนึกไม่ออกว่าควรจะปรับปรุงอย่างไรและที่ไหนดีท่านผู้ชนานาญเหล่านี้ก็จะให้คำแนะนำซึ่งจะทำให้เราพอใจยิ่งกว่าที่ได้เคยคาดไว้แต่เดิมเสียด้วยซ้า ข้าพเจ้าเคยปรึกษาหารือกับท่านผู้ชำนาญเหล่านี้เป็นครั้งคราวถึงการปรับปรุงส่วนของข้าพเจ้าเองซึ่งทุกครั้งก็ได้รับความประหลาดใจอย่างยิ่งที่ท่านเหล่านี้ช่างรู้ถึงความต้องการหรือรสนิยมของเราได้เป็นอย่างดีทั้งๆ ท, ที่เราไม่ได้พูดแสดงรายละเอียดให้ท่านทราบเลยอันที่จริงสิ่งที่ท่านต้องการก็คือการให้แง่คิดอย่างกว้างๆเท่านั้นต่อจากนั้นท่านก็จะสามารถยกระมิดส่วนในความฝันของเรา ให้ปรากฏเป็นของจริงขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ทั้งในด้านรายการละเอียดปลีกย่อยเช่นแง่มุมเล็กน้อยกระจุ่มกระจิม๋มไปจนถึงรายการใหญ่เช่นเป็นแปลงดอกไม้มีดอกสับรรางไปตลอดแนวเมื่อไม่ช้ามานี่เองก็มีเด็กฉลาดผู้หนึ่งชื่อโรเจอร์ซึ่งได้มาอาศัยอยู่ร่วมกันกันกบข้าพเจ้าได้ไปฝึกฝนกิจการในด้านนี้แบบัดนี้เขามีความเชี่ยวชาญพอตัวทีเดียว เรื่องของโรเจอร์ปรากฏอยู่ในภาคสองคือเขาเป็นเด็กที่รูทกับข้าพเจ้าได้ไปพามาอยู่ด้วยกันกับเรานับตั้งแต่เขาได้ลาจากโลกมนุษย์ไปแล้วและปั น, นี้เขาได้รับหน้าที่เป็นผู้คอยดูแลและจัด ก, การเรื่องส่วนของเราให้เป็นอย่างดีบุคคลผู้มีหน้าที่เช่นนี้ในโลกทิพย์ก็มักเป็นผู้ที่รักต้นไม้และดอกไม้มาแล้วเมื่อครั้งยังอยู่ในโลกมนุษย์ดังนั้นเมื่อบุคคลนั้นผ่านเข้ามาสู่ดินแดนอันทุกคนมีเสรี ที่จะเลือกทำงานได้ตามชอบใจเช่นนี้เขาจึงได้ลงมือศึกษาอย่างจริงจังจริงอยู่วิธีการของโลกทั้งสองย่อมไม่เหมือนกันแต่ผู้มีใจรักทางนี้เป็นต้นทุนอยู่แล้วก็จะสามารถเรียนรู้ศิลปะและวิธีการใหม่ของโลกทิพย์ได้ในเวลาไม่นานนักแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะมีความสามารถในเรื่องนี้ทุกแง่ทุกมุม บางท่านก็ชอบในทางออกแบบโดยปล่อยให้ผู้อื่นดาเนินการสร้างไปตามแบบนั้นบางท่านก็ชอบสร้างตามที่ผู้อื่นออกแบบมาแต่ก็มีบางท่านเหมือนกันที่ชอบทั้งการออกแบบและการสร้างและสามารถทาได้ทั้งสองประเภทด้วยความสามารถและความชำนาญเท่าเทียมกันข้าพเจ้าได้บรรยายเรื่องการทําสวนและไม้ประดับมาอย่างค่อนข้างละเอียด ซึ่งอาจจะเป็นการยืดยาวเยินเยอะบ้างเหมือนกันสำหรับผู้ที่ไม่มีนิสัยชอบในทางนี้นักและสรรพคุณนานาประการที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาเช่นการที่ดอกไม้และผลไม้ของเราไม่รู้จักเหี่ยวแห้งหรือโรยราปราบได้ที่เรายังต้องการให้มันเป็นเช่นนี้อยู่และก็จะมีดอกมีผลตลอดปีหรือตลอดกาลคือเพราะว่าในโลกที่ไม่มีวันเดือนปี บางท่านอาจเกิดความคิดขึ้นมาได้อีกว่าสภาวะเช่นนี้เมื่ออยู่นานๆไปรู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องน่าเบื่อเสมากกว่าเพราะชีวิตดูจะไม่มีรสชาติของความเปลี่ยนแปลงเสียบ้างเลยเคยมีบางท่านอ้างเหตุผลว่าการที่เราจะรู้ว่าอะไรดีหรือสมบูรณ์ได้นั้นก็เพราะมีสิ่งที่ไม่สมบูรณ์หรือสิ่งที่บกพร่องเป็นเครื่องเปรียบเทียบให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เราปรารถนาจะได้แต่ยังไม่ได้ หรือว่าได้ช่วงครั้งช่วงคราวดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ที่ยังบกพร่องอยู่นั่นเองเป็นเครื่องช่วยชีย้ให้เห็นความสมบูรณ์เด่นชัดขึ้นดังนั้นบางท่านจึงคาดคิดว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าได้บรรยายมาทั้งหมดนั้นอาจจะดีเกินความจริงไปเพราะคงจะมีสิ่งที่ยังบกพร่องหรือ ย, ยังไม่สมบูรณ์แฝงอยู่และเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าได้มองข้ามไปเสียก็ได้ เพราะสิ่งทั้งหลายในโลกทิพย์ดูช่างดีไปเสียหมดทุกสิ่งทุกประการจนกระทั่งไม่น่าเชื่อว่าจะมีได้จริงถึงขนาดนั้น